ตอนที่หนึย้ายออกจากบ้านเดิมตระกูลเยเวียนท่านพอท่านเป็นพ่อข้าเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันท่านทำเพื่อลูกชายของท่านข้าเองก็ทำเพื่อลูกชายของข้าเราสองคนก็ไม่ต่างกันนักหรอกหยวนเฟยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังท่านควรจะดีใจที่ตอนนี้เส้าเหิงกลับมาหาข้าได้อย่างปลอดภัยนี่คือความคุ้มครองจากสวรรค์หากลูกชายข้าไม่กลับมาในใจข้าคงต้องเครียดแค้นท่านไปตลอดชีวิตแน่ท่านผู้เทาหยวนรู้สึกจุกอกจนพูดไม่ออกอีกครั้ง เขาเคยคิดว่าลูกชายคนโตและสไปซ์เป็นคนพูดง่ายไม่นึกเลยว่าในใจของหยวนเฟยจะยังคงติดค้างเรื่องนี้อยู่ตลอดเธอพูดไปแล้วก็เป็นเพราะตอนนั้นเขาลำเอียงเกินไปจริงๆแต่ในฐานะประมุขของบ้านบางครั้งก็จําเป็นต้องลืมตาข้างหลับตาข้างบ้างมันเป็นไปไม่ได้ที่จะวางถ้วยน้ําให้เสมอกันทุกใบลูกสองคนย่อมต้องมีคนหนึ่งที่เสียเปรียบท่านผู้เฒ่าหยวนมองเห็นความสามารถของหยวนเฟยมาตั้งแต่หลายปีก่อนและคิดจะยกบริษัทให้เขาดูแลโดยตรงแต่อาจองลูกชายคนที่สอง ไม่ยอมเรื่องที่อาอแอบทำหลับหลังเขาก็รู้ดีทั้งหมดเพียงแต่ไม่อยากจะถือสาหาความจนสุดท้ายก็กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เศร้าเหิงหายตัวไปความจริงก็คืออาอเป็นคนเอาเด็กไปทิ้งหลายปีมานี้เขาก็เคยฝันถึงเศร้าเหิงบ้างเป็นครั้งคราวแต่เด็กในฝันกลับมีความเป็นอยู่ที่ยแย่ๆเหลือเกินในใจของท่านผู้เฒยวงยังคงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เศร้าเหิงกลับมาได้มีนําซ้าเด็กคนนี้ยังถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเยี่ยมราวกับเป็นหยวนเฟยในฉบับที่ถอดแบบกันมาไม่สิเด็กคนนี้ดูจะเก่งกาจยิ่่งกกวาาพอขอเขเสียีย บริษัทภายใต้การนำของพ่อลูกคู่นี้เท่านั้นถึงจะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นและตระกูลหยวนถึงจะรักษาฐานะที่มั่นคงเอาไว้ได้ส่วนเจ้าลูกชายคนที่สองของเขานั้นนิสัยไม่ได้ความหากยกบริษัทให้ดูแลไม่เกินสองปีคงได้ล้มละลายแน่ท่านผู้เฒ่าหยวนคิดมาตลอดว่าให้ลูกชายคนโตบริหารบริษัทส่วนลูกชายคนเล็กก็ให้มีกินมีใช้ไปวันๆได้ถือหุ้นบริษัทไว้ก็พอแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าลูกทั้งสองคนต่างก็ไม่พอใจกับการจัดสรรของเขา เจ้าต่อไปเจ้าคงจะเข้าใจความปรารถนาดีที่แฝงไปได้วยความลำบากใจของข้าข้าจำได้ว่าตอนพวกเจ้าพี่น้องยังเด็กไม่ได้เป็นแบบนี้สุดท้ายก็ถูกเงินบังตาจนมืดบอดหากรู้ว่าเป็นเช่นนี้สู้มีลูกแค่คนเดียวเสียยิ่งดีกว่าท่านผู้เฒ่าหยวนคิดว่าหากมีลูกเพียงคนเดียวบางทีอาจจะไม่มีเรื่องบุญคุณความแค้นมากมายขนาดนี้ไม่ว่าอย่างไรทรัพย์สินในบ้านก็ต้องเป็นของลูกคนเดียวอยู่ดีท่านพอท่านมาพูดตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันสายเกินไปหน่อยหรือหยวนเฟยแค่นหัวเราะออกมา สเลี้ยงเมียน้อยไว้ข้างนอกตั้งหลายคนเรื่องนี้ท่านก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมนิสัยแบบนี้เขาได้ใครมาท่านก็น่าจะรู้ดีท่านผู้เทายวนสมัยยังหนุ่มก็เคยมีคนอื่นข้างนอกเพียงแต่ลูกชายที่เกิดจากผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้โดดเด่นเท่าหยวนเฟยท่านพอลูกผู้ชายควรจะซื่อสัตย์มั่นคงต่อคนรักเพียงคนเดียวเรื่องความรักเป็นเช่นนี้เรื่องงานก็เป็นเช่นเดียวกัน สิ่งที่ยวนเฟยดูถูกที่สุดก็คือผู้ชายประเภทที่เก็บทงแดงไว้ในบ้านต่โบกทงสีสะพัดอยู่ข้างนอกเขาพูดมาถึงขนาดนี้แล้วต่อไปเขาก็จะไม่ปราณีอีกเด็ดขาดท่านเอาเวลาไปเตือนอสองจะดีกว่าอย่ามาขัดแข้งขัดขา ข, าข้าอีกมิฉนั้นหุ้นในมือที่เขามีอยู่ข้าจะชิงมาให้ได้ไม่ช้าก็เร็วถึงตอนนั้นคนทั้งครอบครัวห้าชีวิตของเขาก็คงเหลือเพียงแค่ต้องไปขอทานตามข้างถนนเท่านั้นเจ้าใหญ่ท่านพูดเทาหยวนขึ้นเสียงสูงจะทําอะไรอย่าให้มันเกินไปนัก ให้บทเรียนน้องชายเจ้าหน่อยก็พอแล้วพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันนะในใจข้าลูกชายสำคัญที่สุดพี่น้องไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยหยวนเฟยกล่าวเน้นทีละคำหากไร้ลูกชายข้าก็แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่หากไร้พี่น้องกลับช่วยลดภาระความยุ่งยากให้ข้าได้ไม่น้อยในวินาทีนี้เองท่านผู้เฒ่าหยวนถึงได้ระหนักว่าเขาไม่สามารถควบคุมลูกชายคนโตคนนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ท่านก็อายุมากขนาดนี้แล้วถึงเวลาที่ควรจะพักผ่อนใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขเสียทีเรื่องในบ้านพวกนี้ก็อย่ามายุ่งเลยมิฉนั้นสุดท้ายแล้วแม้แต่เรื่องการเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าของพวกท่านทั้งสองคนอาจจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ย้นเฟยกล่าวจบก็เดินออกจากบ้านเดิมประกูลเยเวียนไปหลังจากนี้หากไม่มีเรื่องพิเศษจริงๆเขาก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกร่างกายของท่านผู้เทาหยวนโงนเงินไปเล็กน้อยหูหยินเทาหยวนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูถึงได้กล้าปรากฏตัวออกมา นางมองดูตาเท้าด้วยความลนลานเล็กน้อยไม่รู้จะพูดอะไรดีท่านอย่เพิ่มโมโหเลยเด็กๆอาจจะกําลังอยู่ในช่วงอารมณ์ร้อนไว้รอพวกเขาสั่งโกรธเมื่อไหรเดี๋ยวก็กลับมาเองพวกเขาไม่มีทางทิ้งพวกเราคนแก่สองคนไว้โดยไม่เหลียวแลหรอกเจ้าใหญ่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่ข้าเลยครั้งนี้เขาเอาจริงแน่ท่านผู้เทวหยวนสุดตัวลงนั่งพรางพึมพำออกมาเป็นเพราะพวกเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเองไม่สั่งสอนอสอให้ดีต่อไปถ้าเขายังไม่รู้จักหลับจำเจ้าใหญ่ไม่มีทางปล่อยเขาไว้แน่ จือหลางเด็กคนนั้นก็พิการไปครึ่งชีวิตแล้วเขาจะยังต้องการอะไรอีกเจ้าอย่าลืมสิแม่นางหลีเองก็เกือบจะเสียผู้เสียคนไปทั้งชีวิตเหมือนกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวช่างเถอะเรื่องนี้พวกเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วพวกเราก็ยุ่งไม่ได้แล้วเหมือนกันผู้หญิงเท่าหยวนพยักหน้านึกๆนึนางจะฟังตามที่ตาเท่าหยวนบอกแล้วก็ท่านผู้เทาหยวนพยนนักอะไรขึ้นมาได้ ตอนนี้ครอบครัวเจ้าใหญ่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเจ้าก็ไปไล่พวกอะอออกไปให้หมดถือเป็นการแยกบ้านกันไปเลยต่อไปถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องกลับมาได้ค่าเข้าใจแล้วยวนเฟยมีเงินเก็บอยู่บ้างเดิมทีพวกเขาก็ซื้อบ้านพักสไตล์ตะวันตกไว้ข้างนอกอยู่แล้วเพียงแต่บ้านหลังนั้นว่างมาตลอดเพิ่นจะมาจัดเตรียมให้เรียบร้อยในช่วงสองวันนี้เอง ยวนเย็ยนเย็ยนเป็นคนที่ดีใจที่สุดนางไม่อยากอยู่ร่วมกับปู่ย่ามานานแล้วปู่ย่าก็ไม่ได้ชอบนางวันวันเอาแต่หาเรื่องตำหนินางคราวนี้ไม่ต้องมาฟังเสียงบ่นที่น่ารำคาญอีกแล้วพี่ชายของนางนี่เก่งจริงๆพ่อคะคืนนี้หนูจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนอาจจะกลับดึกหน่อยหนูไปก่อนนะหยุดเดี๋ยวนี้ยวนเฟยเรียกขวางลูกสาวที่พยายามจะแอบหนีออกไปเที่ยวพลางมองด้วยสายตายเย็นชาเจ้าเป็นลูกผู้หญิงวันวนเอาแต่รู้เรื่องเที่ยวเตะเมื่อไหร่จะรู้จักตั้งใจเรียนให้มันมั่นคงเสียทีทำตัวแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลย พ่อค้าบ้านเรามีพี่ชายที่เก่งกาจขนาดนั้นก็พอแล้วหนูไม่จำเป็นต้องพยายามหรอกขะหยวนเย็ยนเย็ยนรู้จักตัวเองดีมากนางไม่ใช่พวกหัวดีเรื่องเรียนเลยแม้แต่น้อยและไม่สนใจเรื่องเรียนเลยสักนิดวันๆชอบแต่จะไปกินเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อนสาวอีกอย่างที่บ้านก็ใช้ว่าจะไม่มีเงินต่อให้นางไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจทํางานไปทั้งชีวิตนางก็ยังมีเงินใช้อยู่ดีฝั่งเจ้าพูดเข้าสิหยวนเฟยพูดไม่ออกได้แต่ถลึงตามองนางพี่ชายเจ้าตั้งใจเรียนนั่นก็เรื่องของเขาแล้วเจ้าจะไม่พยายามเลยหรือ ข้ายังหวังว่าในอนาคตเจ้าจะได้เข้าไปช่วยพี่ชายบริหารบริษัทนะพ่อคะหรือว่าพ่ออยากให้หนูกับพี่ชายกลายเป็นเหมือนพ่อกับอาสองเสื้อสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หลอกค้าหนูไม่มีทางไปแย่งกับพี่ชายแน่นอนขอแค่พี่ชายใจกว้างกับหนูหน่อยก็พอแล้วเจ้าไปเอาตันกับเพียนเพียนพวกนี้มาจากไหนกันเอาเถอะแม่จะจัดคนขับรถตามไปเจ้าห้ามสลัดคนขับรถทิ้งเด็กขาดและต้องกลับถึงบ้านก่อนสี่ทุ่มแม่จะคอยดูเจ้าเองแม่หยวนกล่าวขึ้นมาพอพูดจบหยวนเย็นเยีย น, ยนก็ร้องตะโกนด้วยความดีใจว่า คุณแม่หมื่นปีจากนั้นก็วิ่งปรุดออกไปโดยไม่หันกลับมามองอ้าวใครอนุญาตให้เด็กนี่ออกไปใครยังพูดไม่จบเลยกลางวันเที่ยวไม่พอยินจะออกไปตอนกลางคืนอีกเด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้กันหมดแหละถ้าท่านไม่ยอมให้เขาออกไปสุดท้ายเขาก็แอบหนีออกไปอยู่ดีสู้ให้เขาบอกพวกเราไว้ก่อนยินจะดีกว่า